มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัคปัพชาปัญหาที่ห้า ถามซ้ำว่าบรรพชาของพระผู้เป็นเจ้ามีประโยชน์อย่างไรอัตโขนาคเสโนอันดับนั้นแท้จริงเมื่อพระนาคเสนผู้มีอายุมิ่งมงกุฏวิสุทธิสงฆ์องค์อรหันต์เทศนาโปรดอันตกายะอมัตแล้วก็ดำเนินลีลาดเข้าสู่พระนิเวศวังในเสด็จขึ้นไปบนปราสาทนิสัชนาการนั่งเหนือบรรยัตตาอาจกับพระภิกษุปดหมื่น สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นพิภพพื้นชมพูทวีปก็ทรงรีบรัฐเร่งให้ปรนิบิด้วยโภชน ي ยะของเคี้ยวของกัดดูดดื่มอันประนีตบรรจงยังพระหน้าเกษกับพระภิกษุสงฆ์ให้อิ่มหนำสำราญแล้วสมเด็จบรมบพิษก็ถวายไตรจีวรให้ทั้งแปดหมื่นแล้วก็มีพระไทยชื่นชมต่อบรมทานจึงมีพระราชองค์การให้พระนาเกษเอาภิกษุหนุ่มไวแต่สิบองค์นมนพระภิกษุมากกว่านั้น อันเท่าแก่กลัวจะนั่งเจ็บหลังนิมนต์กลับไปยังอสงไขยบริเวณส่วนสมเด็จกรุงมิลินก็จับเอาอาสนะนั่งใกล้พระน้าเกษมองค์เอกอรหันอยสมันตังนาคเสนังเอตะทะวูจจจึงมีสุนทรพุชนา ร, ราชโองการพระพาทว่าข้าแต่พระน้าเกษมผู้เป็นเจ้ามะยังเราทั้งสองนี้จะสนทนาภาทีด้วยเหตุอันใดดีในการบัดนี้ ฝ่ายพระนาคเกษเจ้าจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอัตมากับมหาบาพิษนี้คิดว่าจะสนทนากันที่เป็นประโยชน์ขอถวายพระพรขณะนั้นกรุงมิลินปินประชากรมีสุนทรพฤษนาตราชองค์การตรัสถามปัญหาเหมือนอันถามแล้วในวันก่อนนั้นว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้า บรรพชาของพระผู้เป็นเจ้าอุดมอย่างไรบรรพชานี้จะให้ประโยชน์อะไรพระนาคเษนก็แก้ไขเหมือนอันวิสัชนาในวันก่อนว่าขอถวายพระพรบรรพชานี้เพื่อจะให้ระงับทุกข์คือทุกสี่กองมีชาติทุกข์เป็นต้นให้ระงับดับไปมิให้ทุกอื่นบังเกิดคือจะเกิดอีกนั้นมิให้มีประการหนึ่งอีกประการเล่า พระมัทโธมีอัดอันอุดมคือจะให้ได้พระนิพานอนุปาทานโนหาเชื้อกิเลตันหาไม่ได้ขอถวายพระพรสิ้นคำวิสันาพระหน้าเกษณ์เท่านี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีเอาปัญหาที่ถามแล้วกลับมาถามอีกหวังจะตั้งเป็นเหตุจะได้ถามลักษณะแห่งบุคคลบรรพชา เหตุฉนี้พระองค์จึงมีพระราชบุตรฉาถามพระนาคเกษฉนี้ว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าลักษณะบุคคลจะเข้าบรรพชาบวชในพระพุทธบาทศาสนานี้มีประโยชน์อย่างไรพระนาคเกษถวายพระพรว่าดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสิริมหายสวรรค์คนทั้งหลายคิดต่างกันบางพวกนั้นราชาวินีตา คือเท้าพระยาเบียดเบียนใช้สอยนี้ออกไปบวชในพระพุทธศาสนาก็มีราชาโนวางกระตัดถายะบางทีบรรพชาเพื่อจะให้คุ้นเคยเท้าพระยารู้จักมักใคร่ก็มีอิสริยะถายะบางทีบวชเพื่อจะได้อิสริยยศเป็นที่ทางอันใหญ่ชีวิกัดถายะบางทีบวชเพื่อจะได้อาหารเลี้ยงชีวิตพยาพีตายะ บางทีคิดกลัวภัยโจรจะคอยฆ่ากลัวภัยเท้าพระยาจะฆ่าตีกลัวภัยเจ้านี้จะตามทวงกลัวสิ่งทั้งปวงนี้ก็หนีเข้าบัญชาที่ว่าจะคิดถึงตัวกลัวภัยในสงสารออกบัญชาปรารถนาพระนิพพานก็มีขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสาขละนครจึงมีพระราชองค์การย้อนถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้านี้ มาบรรพชาจะปรารถนาอย่างไรนิมนต์วิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่าดูรานะมหาบทพิษอัตมานี้บรรพชาตแต่ยังเป็นทารกได้เจ็ดขวบมาก็หารู้ไหมครั้นเจริญใหญ่ขึ้นมาท่านสมณะที่เป็นสากยบุตรพุทธชินุรสผู้ใหญ่ฝึกสอนอัตมาโดยให้มีสติปัญญารู้ซึ่งพุทธที่บายบัดนี้ อาตมารบรรพชาก็หมายจะใคร่ได้พระนิพพานขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินสารลณนครก็รับคำสันเสริญว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควรแล้วปะพะชาปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้